สิบตุลาห้าเจ็ดออกพรรษามาได้สองวันตามประเพณีที่นี่ถือปฏิบัติในหมู่กลุ่มนะักปฏิบัติทาเรื้อเฟื้อกับคนเยื่อโยมนะก็มีกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาก็คือกิจกรรมไปเที่ยวป่าปเที่ยวป่าเดินดงนะ ดงดงก็ดงจริงๆนะกนะ็ไม่เรียกว่าทุดงนะนะทุดงก็ได้ถ้าใครทำเป็นนะทุดงในวินัยมันจะมีอยู่สิบสามข้อทุดงในหมายถึงว่ากิจกรรมที่ทำให้ขัดเกลากิเลสตัวเองให้มันลดลงทุแปลว่าทุแปลว่ายากนะทุดะทุดงไม่ใช่คาว่าองค์นะ องแห่งการประพติปฏิบัติที่ทำได้ยากปกติเราเดินจุกรมใช่ไหมปฏิบัติทำธรรมดาเนี่ยดันจะยากขึ้นจะยากขึ้นกว่าปกติที่เคยปฏิบัติมาแต่ว่าเราจะทำได้ไหมยังไม่คุยกันอย่างเงี้ยตลอดทาได้ไหมนะืาอทีเขาใช้คำ น, นี้สัจชิกังคธุดงเคยได้ยินนะแปบลบว่าการสมาฐานไม่นอนตลอดคืน คือก็ยากกว่าปกติแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่ว่าจะไม่ให้ใครหลับนะให้หลับแต่ว่าไม่ให้ใช้อิรียบทสมทานไม่ไม่นอนไม่ใช้อิรียบทนอนแต่ให้หลับได้อย่างเงี้ยเป็นเวลาเวลาที่ควรหลับก็หลับอะไรเงี้ยบิณบาทเป็นวัดบินธบัตเป็นแถว อย่างเราไปเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าไม่มีสเสบียงแล้วแต่ว่ามันจะเกิดมีอะไรจะเกิดมีก็ฐานเท่านั้นนะ่ะใครตุนไปเท่าไหร่ตุนไปเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะ่ะพระนี่ก็จะฝากนะอุทธรไว้กับญาติโยมนะอุทธรถ้ามันไม่ได้อุทธรแปลว่าอะไรแปลว่าท้องนะท้องอุทธรถ้ามันไม่ได้ก็จะดีก่า กทตอนนี้ก็ดีกาของญาติโยมเนี่ยก็อยู่แบบมากน้อยสันโดษอดทนต่อสู้อะไร่งนี้จริงๆกิจกรรมในการประพฤติปฏิบัติการขัดเกา้ากิเลสเนี่ยมีมากมายหลากหลายที่เราสามารถศึกษาได้ประเพณีวัฒนธรรมอะไรเก่าๆเนี่ยถ้าเราเข้าใจถ้าสามารถดึงขึ้นมาใช้ได้ ก็จะ เ, เกิดประโยชน์นะกลุ่มเราก็ส่วนมากกับคนปฏิบัติทำมาแล้วนะที่ไปเนี่ยอาจจะมีบ้างคนไม่เคยปฏิบัตินิดๆหน่อยๆนะแต่ก็พยายามให้สงบสงัดเวลาไปไปทุดงก็ไปมาหลายปีส่วนมากก็ไปที่บึงกาฬนะเพราะว่ามันทัศนียภาพมันดีมันสวยงามบึงการเนี่ยหลายอย่าง น้ำตกอะไรประมาณนี้เขาดีคือห็นเขาไม่ได้เหมือนห็นภูเขาพวกนี้คนละแบบกันการเดินป่าเดินเขาก็มันไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่แต่ทางโน้นก็ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือช้างป่ามันเยอะนะนีอช้างป่าเยอะชอบกระทืบพระตายปีก่อนนุ ก, ก็ตายสองเนาะพระนะพระตาย ส่วนมากเลยพระนี่จะลองกรรมฐานโอที่ตายคือพยายามนั่งสมาธิแล้วเพ่งกะระแสจิตไปให้ช้างว่าเราไม่เบียดเบียนสปีสตาร์วะเนี่ช้างมันไม่ได้ทาสมาธิมันไม่เข้าหูมัน น, ะ, นะมือเบาท่านก็พยายามปล่อยวางพระเขาไปช่วยกันก็ช่วยไม่ได้นะช้างมไม่ว่าใครภาษาไทยมันพูดไม่ค่อยรู้เรื่องกันอัน ป่าไม้เขาก็ไม่นิยมให้อยากเข้าไปในป่าเข้าเท่าไหร่กลัวตายนั่นเองเวลาตายมาเขาถูกสอบสวนว่าไม่ดูแลแต่ถ้าไปเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีไปให้ได้นะเ้าจะมีวิธีหลอกป่าไม้วิธีอะไรเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะถ้าพาไปแต่ว่าตายมาเนี่ยก็เรื่องของใครของมันนะเราไม่ได้เกี่ยวกัน ไม่ได้พาไปปีนี้อาจจะเดินไม่เยอะปีนี้เพราะว่าลุงตาเองก็นั่งนาไม่ค่อยได้ขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่พยายามไปเดินดูตอนเย็นกับทำท่าเดินลองดูก็จะหกคอมเนต์ทีละการหลายรอบยกขาไม่พ้นต่อแต่ก็อย่างว่านแหละสู้ตายโยมสู้ได้ลุงตาก็สู้ได้โยมไปถึงลุงตาก็ไปถึง ไม่มีปัญหาอะไรสิ่งที่ต้องเตรียมนะเีวเาไปเนี่ยนึกจะพูดจะคุยกันแหละสํารวมหน่อยพุยกันทางน้นนอยกล้องถ่ายได้ไหมเอาเลยถ่ายเลยกล้องถ่ายรูปได้ส่งลายกลับบ้านได้ขณะนี้พ่ออยู่ตรงนี้นะลูกนะนยังมีชีวิตชีวาอยู่หวังว่าเขาจะได้กลับบ้านอยู่ก็ส่งไปได้นะบอกข่าวทางบ้าน แจ้งทางนน้นเท่านี้อะไรประมาณนั้นสถานการณ์เป็นไปค่อนข้างจะอัตคัดขัดสนอะไรประมาณนั้นะ <c oughs> ลุมๆโดนๆแล้วแต่จะแจ้งไปนะนะแต่เพียงแต่ว่าอย่าใช้เสียงอกระทึกคือข่มใช่มันสงบสงัดไปอ่ะทำไรส่วนตัวพอทําได้แต่ยังมันสนุกสนานเพลิดเปลินโอ้โอวๆเน่ยผมไม่อยากให้มีเท่าไรเล <c oughs> วลาเดินทางเนี่ย เราจะฝึกปล่อยวางถ้าใครได้รับบาดเจ็บมีอะไรให้เฉยทิ้งเลยเดินไปเรื่อยๆไม่ต้องมองคนนี้บาดเจ็บคนนี้ทกุกเตะน้ําเตะตออะไรปรนะมาณนั้นให้มองข้ามไม่ต้องเอาใจใส่เด้ให้มองไปแล้วก็สมน้าหน้าแล้วก็เดินต่อไปไม่เเจียมตัวอยากมาไม่ต้องพูดเดินไปได้เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยๆาแดง อย่ามองจําเป็นนะอย่าแดงจะหมองเตรียมไปด้วยกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าเองก็พยายามเอาไปเยอะๆคนละสามสี่ห้าใบมอนอะไรประมาณเนี่ยที่นุ่งที่นอนคือมันหนาวเด้อากาศมันจะหนาวมากคือจะมาเข้าห่มกับพระก็ไม่ได้แล้วมันคนละเรื่องกันเนาะยโอ้ยหลวงพอ่อจยงนู้นเนี่ยไม่ได้คือต้องพึ่งตัวเองงานเนี่ยท่านต้องเตรียมไป คือกลางคืนเนี่ยไปในป่าเนี่ยห้ามจุดไฟไปนอันขาดนะห้ามจุดไฟอถ้าจะจุดก็ต้องมาถามหลวงตาแหละจุดไม่ใช่อยากจุดแลย้ยจุดได้อยู่ที่นั้นตรงนี้หลืจุดไลย่ยุงเลยไม่ห้ามเลยนะ ห, หนึ่งไม่จุดไฟนะฮะสองอาหารการกินเนี่ยหลวงตาพอคงจะลําบากหน่อยอะ่ะมัน คิดว่าจะพาเข้าป่าลวดเดียวนะปกติด้ออกแล้วขึ้นห้างออกแล้วขึ้นห้างได้นะออกไปเอาสเสบียงได้อันนี้ไม่มั่นใจอ่ะงั้นก็เตรียมตัวไปข้าวเราจะอาจจะให้ท่านคนละปั้นใส่ถุงให้นีดนิอะกินสามวันแม่ชีทพ่งไปปิ้งมาเมื่อกี้พนะุตารีบให้ออกจากครัวไว้เพราะปิ้งเนื้อไปด้วยเห็นชิมไปด้วยมัก็อาว่ า, บ า, บา คํามึืดแล้วไอ้โยมไปไว้ๆเลิกว่ะปีงเนื้อมันก็หอมแลลวเนาะทอดนั่นทอดนี่เตะจมูกนะค้ามกลางคืนไอ้ยโยมท ร, รมาดีย ม, รร ม, ย ม, รรมไม่ทีไปทาไปดีแล้วก็สิ่งที่ควรทำนะพาไปบําเพ็ญทานบารมีถ้าพาแวะวัดที่ไหนสำนักสงฆ์ที่ไหนต้องบริจาคจำมาไว้เลยนะ ต้องทำบุญอันนี้คือบังคับนะเนี่ยมาวัดสงบนั้นนี่ไม่ได้บังคับนะอยากทำก็ทำไม่อยากทำก็ทำนะีนน่แต่ถ้าไปอย่างนู้นนะคือบังคับคือเลยบอกว่าคุณไม่อยากให้ร้อยหนึ่งคุณก็แลกไปซะยี่สิบบาทเตรียมไว้ต้องมีเนะี่ยคือไปสำนักสงนั้นไปดื่มน้ำท่านเราผ่านที่ไหนเนี่ยจะพาทำบุญทุกที่ แต่เราไม่รู้ว่ามันจะกี่สำนักเนี่ยน่าจะร้อยหกสิบแห่งระเบว น, นันเลยเขาผ่านเท่าไหร่ก็คือทำตัวนั้นน่ะอย่าทำได้พอจะเข้าสำนักละเบือนหน้าหนีอย่างโ้นอย่างนี้นะจะทำเหมือนพระเวสสันดรนี่เด้พระก็ทาทานถ้าพระมีเนี่ยมันหนักนะทำทานบ้างเพราะเราไม่ทำทานสักทีงไงเวลาไปบิณฑบาตจึงไม่ค่อยหมาน ไม่ค่อยได้อะคนไม่ค่อยให้เพราะไม่ค่อยทําทานนี่นั้นบวชมานี่ทําบุญทําทานทีครั้งแล้วฮะใส่บาตรที่กี่ครั้งแล้วยังนี่นเนี่ยไม่ทำทานเนี่ยเลี้ยงวันเกิดเลี้ยงไอ้สรีมตัวเองกินห้าอันนะั่นอะอาหารก็ครบฉันในบางคนมีนะโอกว่นาน่าจะพอนะคือเราจะไปพรุ่งนี้เนี่ประมาณสักไม่เกินเจ็ดโมงคนระไม่เกินเจ็ดโมงรถจะออกจากที่นี่ แล้วก็รถจะเป็นรถหกล้อหกนะล้อนั่งได้คันละยี่สิบห้าคนเ น, น่ะยี่สิบห้าคนไปส่งที่นะเหมาไปส่งประมาณสักสี่คันพอไหมเนี่ยพอไม่พอไม่เท่าที่ดูเนี่ยเอาร้อยคนเนาะร้อยคนร้อยคนบวกพระด้วยเนดะ็ทีนี้ เขาอยากได้อันนี้ก็งพูดได้เรื่องเงินในเรื่องใหญ่เขาอยากได้สองพันบาทยี่สิบห้าคนเนี่ยคนละแปดสิบบาทแปดสิบาทนี่จะประมาณสักสี่สิบกิโลควรให้เขาไหมเข้าไปในป่านะไปแล้วก็ทิ้งเราแล้วก็ให้เขากลับบ้านไม่ให้เขาเหลียวเลอะไรเราเลยนะก็ท่านจะต้องเสียเงินอันนี้ด้วยนะ ที่แรกโดนตาว่าจะเก็บคนละหนึ่งพันบาทเพราะว่าโดนตาใช้รถตู้รถตู้ทั้งหมดสิบสองคันนะ่ะคนละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่สามวันนะขี่ตลอดนะหกจังหวัดโปรแกรมมันนะ่ะมันก็วันละสามร้อยบาทคุ้มอยู่ไหมคุ้มไหมวันละสามร้อยเองนะคือปกติก็พันแปดร้อยบาทต่อคันนะ พันแดรอยบาทต่อคันก็ห้าพันส ja? um, ี่คันหนึ่งเนี่ยสามวันแล้วลุงตาเขาว่าเล่นไปหลายวันนะหลายจังหวัดเนี่ยตีไว้ค่าน้ำมันก็ห้าพันห้าพันก็ประมาณหมื่นหนึ่งเออหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งก็หารสิบสองคนนี้นะยี่สองคนก็จะถูกคนละประมาณสักคนละสามร้อยบาทหรือสองร้อยแปดสิบบาทนี้แนละวันนึงนะดังนั้นก็เลยบอกว่าเออถ้าสามวันก็ ประมาณพันหนึ่งนั่นคนจะไปชูดงได้ก็ต้องมีเงินพันถ้าไม่มีเงินพันก็เดือดร้อนพระต้องหยิบยื่นเอาค่ากระถินมาจ่ายนั้นก็ไปออกเดินทางเลยเสร็จปุ๊บก็เอาอย่างนี้ก็ได้คันนี้ขึ้นกี่คนเราก็จัดกันหน่อยนะถ้ามันขึ้นเดี๋ยวมันไม่ไหวแล้วก็หารกันเองเอางั้นไหม ไม่จึงนั้นเนาะเออดหลวงตาต่อเขาพันห้าร้อยบาทไม่รู้เขาจะให้ไม่ให้แต่เขาว่าสองพันห้าร้อยบาทพันห้าได้ไหมพันห้าก็สมมติว่ายี่สิบห้าคนหารเอาพันห้าก็ถูกคนละกี่บาทก็ตามนั่นนะขารถอันนี้ขาไปนะขากลับเนี่ยเขาเก็บคนละสองพันไอ้คันละสองพันแลเนยหรือหรือหรือหรือตอนขากลับ อาจจะเดินมาถึงวัดเลยก็ได้นะจากบึงการก็ประมาณพันกว่ากิโลเองใครมีวิชาตัวเบาก็ดีไปใครกินหลายตัวหนักก็จะแย่หน่อยแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไปไหนเนี่ยบางคนอาจจะถำรโนตาไปทางไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกันจนวินาทีสุดท้ายท่านดูเอารถจะพาท่านไปทางไหนพรุ่งนี้เช้ามันหันหัวไปทางไหนไปละขึ้นรถแล้วก็ออกเดินทาง อย่าลืมนะหนึ่งใช้จ่ายค่ารถจ่ายค่ารถส่วนตัวนะส่วนพระนี่พระองค์ไหนน่าขี้เกียจนะทํางานในรถแต่ไม่ออกใหนะ้ให้จ่ายเอาเองนะแต่ว่าไม่มีเงินพระเนี่ยพระไม่มีเงินนะจะดูพรุ่งนี้ว่าองค์ไหนตื่นสายไม่จ่ายให้พรุ่งนี้ลุกมาถูสาราที่หลังเนะี่ยให้จ่ายกูไปใส่ไปบอกไปบอกเอาไปก็ไปเอาเตรียมตัวแล้วบอก เพิมเลยเออจำเจอได้กระติกน้าส่วนตัวเดี๋ยวเาราบอกเอาโคดเด้อเอาโคดเอาโคดโคดกินน้ำผู้ไปไสก็ได้เราคุบไปได้ไปแต่ละแห่งหนี่กไ็ไม่ไม่รู้จะพักที่ไหนเหมือนกันนะนะเรูาจะพักที่ไห น, นนะนะไหนลวงตาคงพานําขบวนไปไม่ค่อยได้คือถ้าขาดีเนี่ลวงตาไม่กลัวหรอกใกล้ใก ล, ใกล้ประมาณนั้นนะเพราะว่ามันมันง่ายอะ่ะ ทำเกมปุ๊กให้เป็นเกมสุขได้นะฮะทำเบื่อให้สนุกสนานได้อะไรประมาณนั้นนะทำวิกฤตให้มันเป็นธรรมะได้เมื่อทีคนหิวคนมีปัญหาโน่นนี่เราสามารถที่ไหนมันดีๆระหว่างทางเนี่ยก็จะพักได้แต่ถ้าเราบอกว่าลงตารออยู่ตรงนี้นะ อมันอาจจะเไปเจอที่ที่มันดีอ่ะเจอสํานักอ น, นั้นเจอแบบมันดีมากแต่ก็ต้องไปเพราะว่าหลวงตารออยู่โน้นะวันนี้นะจะไม่ดีเท่าไหร่ถ้าไปพาไปได้เรื่อยจะดีแต่สถานที่ที่ควรพักก็อหนึ่งอ่างเก็บน้ำสองสานักสงฆ์นี่นพอดีก็อย่าลืมนะเอาทิศชูด้วยดวยิรู้จังไงทิศชู่ไม่ใช่ทิศอ๊อฟนะทิศชูนะเอาทิศชู่ไปด้วย ทิชชู่เนี่ยเอาไปทําไมเช่นเงือกแต่ที่สําคัญก็คือมันไม่มีตู้น้ำจดนะตามป่านอะทอยเลสนะไม่ไม่มี <c ười> คุณต้องใช้ทิชชู่นะถ้าเั้นคุณก็ต้องเอาไม้กีบไม้ท่อนนะกวาดเอาแล้วคุณจะเดินลําบากมากหลังจากคุณกวาดแล้วคุณเดินจุ ก, กลมคุณจะอ้าขาไปซึ่งมันเป็นบรรยากาศที่มันไม่น่าดูชมเท่าไหร่นะโอ้ยแสบกับเสบเนาะมันหูดก่นกู่ันนี่มันยาก มันจะลำบากมากดังนั้นถ้าทิชชู่นี่มันจะง่ายหน่อยเข้าใจว่าน่นันแล้วเพราะว่าบางทีไม้เราสีกมันมเป็นกีบุันบาทยิ่งกัดาิศสีดวงนะแล้วเดินจ ก, กรกอีกหนึ่งรอยกิโลตายพอดีถนะ้ามันเสียบ ไ, นะไม่ได้อารมณ์กับเขากำหนดรูดแต่ตูดอยู่เดียวมันอ้วยเสียบแต่ที่จะมองไปไกลๆ ก, ก็ไม่ได้นะเธอนะ่อันนี้ดีได้แต่ครูะกกในเชื่ออยู่เขาจะเตรียมเรียบร้อย กระดาษทิชชู่ทิชชู่เลยเช็ดปากเช็ดคิ้วเตรียมดีจังนะ่ะได้เลยแ่ะเพราะท่านเตรียมพร้อมอยู่รองเทา้ารองเทา้ารองเทา้าเอาควรจะมีหนึ่งคู่กับสองหูรองเทา้าเก่าๆเห็นไหมในวัดเนี่ยคือมันจะขาดนะไม่ขาดมันก็หลุดออกมานะรองเทา้าเนี่ย ควรจะมีอีกสองหูหูไว้ด้วยนะเวลามันขาดปพืกดถอดเอาหูตัวนี้ยัดใส่นหูรองเท้าน่ะหูดาวเทียมเราเนี่ยแต่โยมเขาคงไม่มีคือเวลาใส่ก็ไม่ยากเอาน้ําลายหรือเอาถ้าเป็นไปได้คือสบู่อ่ะสบูสบ่อาบน้ำนะ่ะทาทาตรงปากมาแล้วก็กดมันจะพุทธเข้าไปเลยง่ายแต่ถ้าไม่มีสบู่ถ้าเป็นผงซักฟอกได้ยิ่งดีนะ สักผ้าตอนไหนเวลาซักผ้าเนี่ยใครที่กลิ่นตัวแรงเวลาเดินเนี่ยกลิ่นตัวมันแรงเอเดินห่างๆเพื่อนด้วยเพราะเหงื่อออกแล้วโอ้ยคนข้างหลังจะเป็นลมตายได้บางทีเนี่ยนะยิ่งถ้าพึ่งจะกะแล้ไปเนี่อันตรายอันนี้คืออัตถถมนิเทศกันแจ้งๆเลยนะเนี่ยไม่ปิดบังนะอย่าให้มันสร้างความรำคาญให้กับพระพุทธเจ้าเลยโยมเว้ยเนี่ยนะ ซักให้เรียบร้อยผ้าน่ะซักเรียบร้อยมีผ้าอาบน้ําผืนหนึ่งผ้าเนี่ยควรเป็นผ้าที่มันไม่หนาเท่าไหร่อ่ผ้าอาบน้ําเนี่ยถ้ามันตากนานแห้งของก็ถือใครถือมันญาติโ ย, ยมน่ยอย่าให้ผ้าพระช่วยสะพายนะมันหนักถือเอาเองมีถุงนอ น, นอะไรเงี้ยถุงนอนนี่ลุงท่าอึดอัดน่ะนอนถุงนอนเนี่ยอถ้านอนแบบ กลดเนี่ยรู้สึกมันโป่งมันโล่ ง, ลงสบายทุงนอนเนี่เข้าไปในหอเนียแล้วอ้ยอยากถ้ามดตะนอยเขาหลักออกไม่ทันเคยเป็นนะแต่ก็พอได้นะพอได้อาจจะมีน้ำตกมีคืออย่างว่าเนี่ยนะที่ถ่ายหนักถ่ายเบาเนี่ยคือเราเป็นธรรมชาติตำบงตำป่าหาเอาเองหาเอาเนาะที่ได้เหมาะสมกับทา เดินเดินนี่ก็ยังมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะไหวไหม่ลุตาไปในลุ้นตาจะชี้ให้ว่านี่จากภูเขาลูกนี้ไปอีกสี่ลูกนะนะข้ามตัวนี้คือลุ้นตาก็จะไหวอย่างเงี้ยก็จะชี้ให้เราก็พากันตั้ง อ, อกตั้งใจเดินตามครูบาอาจารย์ท่านสั่งนฮะก็ข้ามไปโทรศัพท์ บางปีเคยยึดนะโทรศัพท์มันเก็บไว้ห้ามใช้นะ่ะปีที่แล้วไม่ได้ยึดปีนี้ก็ว่าจะไม่ยึดแต่การโทร อ, อ, อยากให้มีความละอายบ้างอ่ะไม่ใช่ว่าเดินจกกุกลมไปกันพี่อย่างเงี้ยเนี่ยโอ้ยคนเขาแทบตายนะเขาเดินตามหลังเนี่ยอย่าไปพูดไปคุยโทรศัพท์เดินจุกลมน่ น, น่ะเวลาคุณพักน่นเวลาพักเหนื่อยเพราะเมื่อยหรือกลางคืน นะคือเหมือนเราปฏิบัติธรรมนะ่ะมีความละอายไม่ใช่ควักออกมาตอนไ้นอย่างแด่เดะเดะขึ้นมาก็ดังขึ้นมาเลยนะปิดเสียงรถทํานะไม่ชอบนั่งรถตู้รถอะไรไปกับใครที่ไม่ค่อยปิดโทรศัพท์เนะีนะ่ยเปิดโทรศัพท์ดังอย่างอะ่ะไม่ให้เปิดปิดไว้ใช่ไหมคุณใช้ได้อะ่นะแต่ใช้แบบเหมือนมันผิดกฎระเบียบนะ่ะใช้แบบละอายเดินออกจากนี้จากหมู่หน่อยอย่ากให้เขาได้ยินด้วย พต้องรักษาสมาธิเขาด้วยเนี่ยปัญหามันมีธุระก็เข้าใจไงมีธุระนั่นแหละแต่ว่าต้องละอายอย่าให้มันรบกวนใครใช้ได้นะกล้องถ่ายรูปใช้ได้โทรศัพท์โทรได้เบาๆนั่งรถไปนี่ปิดเลยบนรถนี่ไม่ควรเป็นอันขาดเลยคุณจะขับรถไม่ขับรถก็ทำมารยาทมันไม่ค่อยดีโทรศัพท์บนรถคนอื่นทั้งหมดฟังคุณคนเดียวนะ อันนี้ก็คือโทรศัพท์นะถือเอาเองแต่ว่ารักษาไวมารยาทไปตามตรงํามป่าสามารถหยิบโน่นหยิบนี่ได้ไหมได้แต่ว่าเขา้าถ้าสมมติว่าเขาไปในสํานักเขาในวัดเขาจะไปหยิบเอาของเขาออกมานะแต่ตามรงตามป่าดอกไม้ดอกอะไรนี่ น, น, นี่หน่อยหน่อยก็พอได้น้ำตก อ่างเก็บน้ำสำนักปฏิบัติธรรมเขาสำนักสงฆ์อะไรพวกเนี้ยที่เราควรจะพักควรจะหยุดปฏิบัตินะหยุดพักหายเหนื่อยน้ำน้ำําล่ะน้าก็จะเท่าที่เอาไปนี่แหละนอกจากนั้นก็คือใครถือได้ก็ถือไปนะ้าเนี่ยใครถือไม่ได้ก็คือไม่หากินข้างหน้าตามบ่อน้ำ น, ะน้ำซับน้าเหวน้าหบไปนี่นะส่วนมากเป็นอยนะ่างเนี้ย พอดื่มเอาสักคำสองคามีเชื้อโรคไหมมีนะอย่าถามหาเชื้อโรคเนี่ยมันก็มีแหละเนาะนะเขาไม่ใช่มีโรงงานดับกลิ่นดับเชื้ออยู่ในนั้นมันก็ต้องมีแหละนั้นก็คุณอย่าไปกลัวมันดิทุดดงพอทําใจได้ก็ทําไม่มีอะไรเอาพ่ออยู่ในนั่นไอ้ที่มันมีเชื้อโรคนี่แหละเขาเรียกว่ามันมีทุกอยู่นั่นเราก็เอาแค่รู้มันเป็นทุกข์เอาสักนิดสักหน่อยพอพิธีแล้วก็เดินไปพอกู้ปากพอดื่มอะไรประมาณนั้น แต่พยายามจะพาเดินทุดองไปในที่ที่ป่าที่เขามีต้นแ ป, ป๊บซี่มีอะไรเนี่ยโคกเลยนะนนนนเยอะๆเพื่อเพื่อให้มันประทับใจที่สุดละไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเส้นทางที่ไปเนี่ยหลวงตาเคยไปอยู่บ้างนิดๆหน่อยนะแต่ไม่ถึงกับลากยาวแบบนี้นะเส้นทางเนี่ยก็อาจจะเป็นก็แล้วแต่โชควาสนาล้วอะ นะแต่จะโชควา ส, สนาว่าไปแล้วมันเจอที่มันเ อ, อสวยงามดูดีไหมอะไรประมาณนั้นนะอแต่ก็เขาเขียนไว้ข้างล่างนะอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเห็นตามความอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเสื้อเสื้อเสื้อเสื้อเสื้ อ, อต้องเป็นเสื้อขาวเท่า น, นั้นนะเพื่อนทุตดงเนี่ยใครไม่มีเสื้อนะให้ออกจากแถวเดว้เสื้อขาวอืม ถ้าจะมีมันหนาวใส่เสื้อคลุมไรตัวต้องมีเสื้อขาวข้างในไม่ใช่เสื้อยกทรงนะเนยไม่ไม่เสื้อแต่นี่นี่นี่เนี่ยเสื้อเนี่ย น, นี่เสื้อขาวอย่าโยมอ่ะมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่หรอกมันก็ไม่โป๊เท่าไหร่หรอกถ้าไม่มีเสื้อมีจําหน่ายนเนี่ยตัวละเท่าไหร่เก้าสิบเก้าบาทอะไรประมาณนั้นนะนี่เนี่ยคือต้องมีเสื้อเสื้อทีมไป มันเโอ้ลุ่มเขาเขานี่เขามาปฏิบัติธรรมเนาะเวลาเราเข้าไปขี้ตามลงตามบ่ามองก็ยังเห็นเนื้อขาวๆเห็นมันไปตรงนี้แหละไมเห็นนะถ้ามันใส่สีเขียวมันเขาไปนหายไปเลยมันกอันตรายได้ตามไม่รู้มันกำลังไปทางไหนเนี่ยเพราะมันเสื้อลายพลางทหารเนี่ยคือย่างไรอยู่นะต้องขาวทีมเดียวกันถ้าหายไปก็รู้จักพระก็เนี่ยเขาจะเป็นสีเดียวกันเนี่ยเขาจะรู้จักอย่าลืมนะแล้วอันหนึ่งก็คือเรื่องบริจาค บลวงปิจักไปเจอสำนักไหมเราก็โอ้ยหลวงพอ่อเรารวบรวมจืดไปปัจจัยถวายท่านอย่าพูดว่าไม่มีนะไม่ได้เตรียมมานะนะต้องเตรียมมาต้องบริจาคนะเราบริจาคไม่เอานะห้าสิบจต่างเนี่ยตั้งแต่บาทหนึ่งขึ้นไปนะคืออยาให้มันนับยากกใช่ไหมนะหนึ่งพันสองร้อยบาทห้าสิบจต่างเวลาประกาศแต่ไม่ได้เรียกไม่อยากให้มันมีอันเนี้ยบาทให้มันจบเป็นบาทไปเลย เราจะมาว่วแล้วแต่ศรัทธาแล้วแต่ศรัทธาได้แต่ว่าให้ไม่ต่ำกว่าหนึ่งบาทขึ้นไปต้องทำทุกที่ทุกทางทาแล้วก็ทำด้วยใจด้วยใจสะอาดใจบริสุทธิ์ด้วยนี่อันก็กระเป๋าอยู่ข้างๆนี่ก็จะหมดงวนดนะนี่แหละเนี่ยถือไปด้วยเนี่ยอย่างอื่นก็คงคงไม่เท่าไหร่ที่แรกในขบวนมันจะเป็นขบวนดีมากทุกที่ที่มีประสบการณ์เนี่ยพระจะนำหน้าตลอด สักพักเลยพระ ก, ก็เริ่มเมื่อยละล้าหลังบังอะไรบางโยมก็อ่อนชออ่อนแอลงละผสมกันละโยมผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เด็กอะไรประมาณเนี้ยพระ ก, ก็เริ่มรอโยมโยมก็รอพระละแบบนี้อือเอาไปออกมาช้าลงช้าลงช้าลงนะถ้าลงตาเป็นหัวหน้าลงตนหนีไปเรื่อยเลยได้อือตายก็ตายได้ไปเลยไดนะ้เนี่ยนะแต่พระพระเนี่ยพวกนี้เข้าใจอ่อนรอเท่าก่อนเนาะเนี่ยรอก่อนเนาะนะมืดเอามืดเอานะมันไม่ได้เป้าหมาย นี่แหละการบริหารการจัดการเนี่ยทำไงเขาจะเดินหน้าไปเรื่อยแบบไม่รู้สึกว่าเขาถูกพาเดินไปอ่ะสนุกไปเรื่อยเรื่อยแล้วก็เพลินไปเรื่อยที่สำคัญคือถ้าคนรู้จักพันไม้หน่อยก็ยิ่งจะดีที่ยิ่งป่าไม้เขาเสนอตัวมาบว่เาเอาเขาไม่เขาช่วยอธิบายเรื่องพันไม้แล้วแต่ว่าจะลาคาญว่ะนะมันจะลาคาญเราดูเอาเองเถอะน้ำทางนี่ก็ยังยังไม่รุ่มกันว่า เราน่าจะนำเองได้อะเพราะเราไปกันเองเลยเนี่ยนะพอเราเชื่อว่าพวกเธอเนี่เรียนสูงมาจบปอโทปอเอกมาเนี่ยน่าจะมีปัญญาสามารถนำทางได้พาพระพวกปอสี่ป อ, อะไรเนี่ยไปํามไปได้พระก็เป็นกดถ้ากดเนี่ยเวลานั่งเนี่ยรู้สึก ม, มันจะดูดีดูดีไหมโยมเต้นดีกับกว่ากดไหม ปีที่าก็ให้เอาเต็นท์ไปบางองคนะเอาโกรธลูกตายังไม่มีเต็นท์เลยปีที่แล้วนะนั่งตานอนตากลมอยู่บนก้อนหินนะครูบาอาจารย์สงสารไปเอาถุงนอนลูกตาก็ถือถุงนอนไปด้วยอันหนึ่งเนาะมาใส่ถุงนอนนี่นี่หน่อยนอนมันนอนมันก็ไม่นานนะ่ะจากสี่ทุ่มหกทุ่มเนี่ยเพื่อทําวัดเสร็จปุ๊บก็ตีสามก็เกินตื่นแล้วเดินจุ ก, กลมแล้วอย่ารบกวนกันนะเพราะว่าถ้านอนไม่อิ่มตื่นมันเดินมันเพลียมากนะมันจะเพลีย อย่าลืมนะเวลาเจ็บใครได้ป่วยเวลาเดินทางเนี่ยห้ามดูแลซึ่งกันเลยกันทิ้งเลยนะปล่อยวางปล่อยวางาก็บอกเขาคนใกล้ๆ ก, ก, ก็ผมทำํากดครับปล่อยวางอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะยึดถือกฎระเบียบเป็นใหญ่ปล่อยวางมาฝึกจิตอนะปล่อยวางได้ไหมนะแต่ปล่อยวางไม่ได้ก็อย่างว่านั่นแหละคือแล้วแต่คุณจะทำมาเนี่ยใครปล่อยวางได้ก็ดีไป ก็ไม่ควรจะห่างกันนะแต่ไม่ควรอย่างยิ่งนะยเดินเป็นกลุ่มแล้วคุยกันไปเนะี่ยไม่ควรควรจะเงี ย, งยบๆหน่อยอาหารการกบฉันอยากให้ทานเป็นเวลาอืมแต่บางทีะบางคนเหนื่อยเมื่อยควักออกมากินแล้วในเปีนั่นนะก็ได้ไม่ได้อยู่แต่ว่าอันส่วนที่จะใส่บาตนั่นนะนะไว้ต่างหาก <c oughs> อย่าควักออกมานะตัว น, นั้นมันจะอันตรายมันมันผิดศีลตัวนั้นเอาไว้ตัวนั้นเก็บไ ว, วคไ้คืออดทนเนะ่ะถึงเวลามันนุ่นแหละผละไม้ระหว่างทางเนี่ยพวกแอปเปิลป่านะอย่างเล็บแมวอย่างนี้นะมักเล็บแมวนะี่รู้จักไหมรสชาติเหมือนแอปเปลิลนั่นแหละก็มีให้ทานแต่ว่าจะรู้จักมันหรือเปล่าลนั้นเองอนะ่ะก็มี มีผลไม้หลากหลายให้หนนใะนนี่ถ้าเจ็บท้องมียาปวดยาที่ควรเอาไปยาหนึ่งคือนอฟ็อกเนี่ยเวลากินอาหารแล้วมันกินอาหารกินน้ำแล้วท้องเสียเนี่ยยาค่ายเชื้อนะ่ะควรมีเตรียมไปนอฟ็อกควรมียานวดยาทาพวกนี้ยจะมีประมาณบ่ายโมงน่าจะได้ออกออกจะนี้ไปไม่มีเซเว่นนะ นะไม่มีร้านไม่มีอะไรสิ่งที่จะได้จากการฝึกฝนก็อาจจะลงตาว่าเออชีวิตเราท้ามองแบบโลกโลกเนาะไปฝึกความอดทนน่ะความเสียสละความช่วยเหลือความมีจิตน้ำใจเป็นจิตสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลเห็นอกเห็นใจกันไม่มันเหนื่อยนะเดินเนี่ยมันเพลียรเราช่วยเหลือกันดีไหมจับกันไหมจูงกันไหมประมาณนั้นเอาใจใส่กัน ดูแลกันเนี่ยสองบางทีคนไหนเข้มแข็งนักอาจจะกําหนดรู้ได้เยอะกําหนดรู้ไปนะจะทําให้ชีวิตเรารักป่ารักธรรมชาติมันป่าไม้เขาว่านะอืมันไม่ต้องไปหากลุ่มมาสอนเลยอ่เะเ่อเราไปเนี่ยเขามาอธิบายได้สบายเป็นผู้ใหญ่ตรงตาว่าเออมันเราไม่มีปัญหาเรื่องเรารักป่ารักธรรมชาติอะไรเนี่ยเราไม่มีปัญหาเรื่องนั้นอยู่แล้วของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ พูดถึงเรื่องธรรมะจันสูงขึ้นไปอีกหน่อยเรื่องการปล่อยเรื่องการวางเรื่องการกำหนดรู้เพราะนั้นแหะเราไม่ได้มีปัญหากับเรื่องทำลายป่าไม่ไม่มีอะไรเลยแต่เขาก็อยากเผยแพร่อุดมการนะคือถ้าเราปฏิบัติธรรมในเรื่องอื่นเป็นเรื่องจิ๊จ้อยอ่ะเรื่องอื่นเน่ยเป็นเรื่องเล็กน้อยเพราะว่าธรรมะเนี่ยมันข้ามเรื่องทุกอย่างไปนะอย่างอะไรนะการทำไร่ทำสวนเนี่ยพอปฏิบัติธรรมเอามันก็มองข้ามอันนี้ไป กเตีเนื้อตีตัวการหาเงินหาทองแบบนู้นแบบนี้อ้าวมันกมมองข้ามอันนี้ไปคือจิตมันจะมองข้ามไปได้ดคือความสำคัญอันดับหนึ่งเนี่ยมันจะมาก่อนมันจะคลุมทั้งหมดเหมือนรัฐธรรมนูญอะคุมกฎหมายน้อยแบบนี้นะกิจกรรมทุกอย่างเนี่ยในชีวิตเราเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะสำคัญเวลาพระถึงที่พักพระเวลาปากกพระกับผู้ชาย อยู่ประมาณทางกลุ่มเดียวกันได้หรื อ, เ, อเฉพาะพระก็ได้ถ้าสมมติว่าเป็นน้ำพักในใกล้ๆน้ำน้ำตกน้ำใยพระก็ควรจะพักข้างบนนะโยมก็พักด้านล่างๆ ล, ง, ลงไปไม่ได้หมายว่าพระไปพักด้านล่างเด้ยโยมอาบน้ำข้างบนไว้ที่ทะลบางทีก็เอากลุ่มพระกลุ่มผู้ชาย แล้วกลุ่มโยมหญิงลงไปตามสายน้ำนะอ๋อขยากสปานาทีกะสปพคนเนี้ยอุลุเวลากะสปาตามตานานนะอาจจะได้ความเพลิดเพลินนะจเจริญใ จ, จเจริญตาไปเห็นพันไม้เห็นป่าหเห็ น, ห เ, หนเนี่ยเนี่ยเราจะรู้สึกทันทีนะว่าอยารู้ตาว่าเฮ้ยทำไมไม้เรามีน้อยจังนะป่าไม้เราทาไมมันมีน้อยจังถ้าเปรียบเทียบแล้วนีนประเทศไทยมันเท่าไหร่เนี่ย พื้นที่นะนะเวลาไปดึงดูในกูเกิลไอ้ป่ามาันนิดเดียวนิดเดียวนะแต่ก็ถือว่าเป็นปอดนะเป็นอาหารเป็นน่นเป็นนี่ของคนของสังคมเลยรต่าลวงตาก็สร้างป่าได้ป่าอยู่ปีนี้ก็ได้ป่าพื้นนี้เนี่ยที่พาไปเดินมื่อตอนเย็นนี่นะป่าพื้นนี้พนะอได้เยอะพะสอสมควรอยู่ก็หลายคนช่วยนะก็ทําป่าพื้นนี้ขึ้นมาก็ เขาล้อมไว้นะเป็นป่าป่ามันเหมือนยังสมบูรณ์อยู่ส่เพียงแต่ว่าคนมันบุก ล, ลุกเข้ามาเยอะมีป่าที่โน่นอีกประมาณร้อยกว่าไร่อันนั้นปลูกแล้วหมดกําลังใจอันนั้นเพราะน่าเลี้ยงมาไฟเขาเผาอ่ะเผาหญ้าเผ า, เผ า, เผ า, เผาหาหนูหาหนู่นหา น, น, นี่พอเผาแล้วต้นไม้เราปลูกมันตายมัดนะ่ะคือปลูกแล้วมันก็น่าจะพออยู่ได้นะแต่นี่คือต้องไปเฝ้าถึงจะไหว หญ้ามันเยอะด้วยเวลาเขาจุดแล้วมันปลุบไปทั่วยางปลาลงไปโอ้หลายหมืน่นตายหมดเผาผามันขึ้นแล้วนะบางทีก็ท่วมหัวหก็มีมันจะทำป่าปลูก <c oughs> ป่าเอาไว้ให้พระให้อะไรเราอยู่หรือบางทีถ้ามันมีความจำเป็นใช้จ้างอื่นเราก็ใช้ ถ้ามีป่าก็เหมือนมันมีน้ำเพราะมันป่ามันมีต้นน้ำนั้นเราไปจังหวัดสกลนครเนี่ยมันเป็นจังหวัดที่อยู่ในเทือเขาภูพานอ่เป็นแอ่งสกลนครที่มันเป็นแอ่งเ พ, เพราะมันอยู่ในอ้อมกอดของภูเขาภูพานที่นี่อเอิญว่าในหลวงเนี่ยเสด็จมาที่นี่แต่ก่อนน่ก็จะมี ฤดูหนาวไปที่นั่นฤดูร้อนไปที่นี่ฤดูฝนไปที่นั่นในหลวงนะเหมือนท่านทรงงานหนักอพอสมควรไปช่วยพัฒนาสกลนครเป็นจุดหนึ่งที่ท่านมาอยู่แล้วมันถือกําเนิด เ, เกิดอ่างเก็บน้ําตามพระราชดำริคือบ้านเรานี่แหละเราอยากเสนอตรงนี้ไม่ใช่ท่านคิดนะจริงๆแล้วเนี่ย คือตรงนี้เราอยากสร้างอ่างเก็บน้ําประชาชนก็ทําเรื่องอทูลขอยื่นเรื่องไปขอให้เป็นโครงการตามพระราชดำริเนี่ยทั้งก็บเออเป็นโครงการตามพระราชดริมาที่จริงพวกเราเนี่ยเสนอไปชาวบ้านชาวอะไรเรวเห็นดีขอไปเข้าโครงการพระราชดริเนี่ยฉะนั้นสกลนครมีแหล่งน้ําตามพระําชดำิค่อนข้างจะเยอะมากเนี่ยตามเขาเนี่ยเป็นแบบนี้นี่ ตัวนี้ไปข้ามเขาลูกนี้ไปเป็นห้วยวังเหลือเป็นอ่างวังเรือห้วยนั้นไปก็เป็นอ่างที่ทําขามนะขยับไปนั่นก็เป็นอ่างเป็นอ่างเก็บ น, น้ําไปเรื่อยๆเลยท่า น, นี้ก็เหมือนกันเป็นหว้วยน้ําบ่อแล้วก็เป็นห้วยทายใหญ่ห้วยายน้อยไ ป, <ๆ>ไปเรื่อยๆเรื่ๆเลยฝั่งนี้นะเฉพาะฝั่งนี้ฝั่งน้นก็เยอะสกคนค่อนข้างจะมีเยอะอ่างเก็บน้ําเนี่ยนะเขากั้นน้ําไว้กัน้นน้าไว้สมัยก่อนก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับกั้นเพื่อเพื่อ อกีดกันพวกคอมมิวนิสต์นะเขาอาศัยรุ่มน้ำเขาอยู่ตามน้ําตามทำมาหากินปลูกผักอะไรเนะี่ยเอาน้ําท่วมเขาน่ะไล่เขาออกอย่างเขื่อนน้าอุ่นก็เหมือนกันเป็นนะพวกมันอุ่นดองพราะวกะนะนี้นะคืนน้ําท่วมมันได้ขยับออกมาพราขยับมันเหมือนคุยกันรู้เรื่องแต่ก่อนมันจะหลบอยู่ในนั้นนะเหมือนจังหวัดตากนะพอเขื่อนภูมิพลขึ้นมันก็แตกหนีขึ้นมานะนะเป็นไปโดยธรรมชาติมัน ทีนี้การควบคุมก็จะควบคุมง่ายขึ้นว่ามันอยู่ปีกนั้นปีกนี้เนี่ยมันไม่อยู่ในหกในเขาในอะไรเท่าไหร่แต่ก่อนมันเป็นปัญหาเรื่องการเมืองเรื่องการปกครองเรื่องการเศรษฐกิจเกศกรรมพวกเนี้ยตามมาอ่างเก็บน้ําตัวนี้ก็เป็นอ่างเก็บน้ําที่เอามือขุดนะเนี่ยไม่มีเครื่องจักรนะเอาจอบขดแล้วก็หาบขึ้นมาแล้วก็เทใส่เทใส่คันมาเนี่ยเขาขุดอยู่ปีสองปีสามปีนล้วมั้ง หาขึ้นมามีบ่อหลาบ่อดินเออขึ้นมาไม่มีเครื่องจักรกลสมัยก่อนะคนทําเห็นก็เอาใส่เกวียนาม า, ามาแปะหน้ามาันอะเอาเห็นใส่เกวียนก็ลากมาเข้ามาแปะหน้ามันดนั้นเราก็มีโอกาสนะไปอาจจะพักตามสมมติว่าไปสกลนครเนี่ยทํามนี่แหละทําแหล่งน้ําอ่างเก็บน้ําพระราชดำริในี่ตรงนู้นตรงนี้ เราูนี้ดีหน่อยว่ามันเป็นลูดูที่มันยังพอหนาวอยู่ะเวลาเราขึ้นเขาไปอากาศก็จะดีะตามหุบเขาตามเหวตามโน่นตามนี่นะก็พออยู่ได้กลางคืนก็เดินโจรกรมเอาถ้ามันหนาวนอนไม่หลับ ก, ก็เดินโจงกลมไปห่ดเทียนล่ะเทียนละ่นละมีไหมเทียนมีไหมควรจะมีเทียนไปด้วยได้คนละเล่มะคนละเล่มสองเล่มใส่ไปด้วยไฟฉาย ควรจะมีฐานมากกว่าสองก้อนนั้นไปนะคือมีชุดสำรองอีกกนหนึ่งหน่อยคุณดีไหมเฮ้ยจริงๆก็ไม่หมดแล้วเนาะคืนหนึ่งเนี่ยพอเดินคืนหนึ่งคงไม่หมดนะ่ะเอาไปด้วยหน่อยก็ได้เดี๋ยวนี้ไฟฉายมันดีหน่อยไม่ต้องมีหัวเทียนนะ่ะเดี๋ยวนี้ยไฟฉายไฟฉายมันไมีหัวเทียนแต่ก่อนหัวเทียนขาดเข้าถ้ำอย่างเงี้ยอันตรายมากเดี๋ยวนี้มันไม่มีหัวเทียนแล้วไม่รู้ันหัวเป็นอะไรอนะ่ะไม่มีความรู้นะแต่มันไม่มีหัวเทียน ก็สบายนะเวลาเข้าเวลาเดินตามป่าตามเขาทีนี่ในสะกลนคร น, นี่มันมีอางหนึ่งว่าเวลาเราขับรถขี่รถมาเห็นไหมถ้ามาถึงตอนเช้าเช้าเนี่ยตามตามป่าดงดิบตามเทือกเขาริมถนนที่สองชั่วโมงอของการเดินทางข้ามมาเนี่ย1้อยกิโลเมตร จะมีพระทุดงถือบาทตอนเช้าเช้านิ่งอยู่ตามริมถนนในป่านะไม่มีวัดท่านนะ<ม>คือท่านออกมาบินถ้าบาทกับรถถ้ารถจอดใส่บาทให้ก็ได้ไม่ใส่บาทให้ก็แล้วไปนะส่วนมากมันไม่มีป้ายเนาะคือท่านจำรรษาอยู่ข้างล่างในหิมในหิวทั่วๆไปตอนเช้าตีห้าแล้วก็เริ่มขึ้นมานั่งขึ้นมายืนถือบาทอยู่ ปานปางอุ้มบาดไปนั่นแหละแต่ไม่ได้เดินไปนะโยมขับรถมามก็เห็นมันก็ชุกผ่านไปแล้วแต่ถ้าคนรู้จักก็ก็จะใส่บาดคือมันเป็นเป็นภาพที่มันงามนะในสายตาอาตมานะท่านก็สำรวมเชยๆใครใส่ก็ใส่ไม่ใส่ก็แลี่ไปแต่ท่านก็ถือไว้เนี่ยจนหกเจ็ดแปดโมงนั่นแหละยืนอยู่ที่เดิมเลยนะโยมสถามาทีเลยไปแล้วก็ถอยรถกลับมา แต่ไม่รู้นะว่าท่านคิดอะไรนะแต่ว่าเป็นภาพที่มันงามงามมากหน้าใส่บาตรน้าเลื่อมใสศรัทธามีขนมอะไรอาหารเราเดินทางไปเน่ยนะอย่างอไก่ย่างเราที่เก็บไว้วันนี้นะ่ะนะขี่รถไปเห็นก็เออเอาบริจาคท่านซาะถวายท่านไปเนี่ยให้ท่านด้วยคือไปเห็นเนี่ย <S 2> <S 2> <S เห็นพร ะ, ะาใส่บาตรแล้วใส่บาตร คือพอทำบุญกับทำบุญเน่ะเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอันอื่นคงไม่มีอะไรเวลาอาบน้ำาขาบางทีอาจจะได้เตือนกันเอาพอดีนะอย่าโป้มากนะอย่าจะให้มันโป้พอหลบก็หลบพอทำดูดีก็ดูดีอย่าทำให้มันรู้สึกว่ามันอุ้คนนี้คนอื่นเขาได้ไปเล่าอ่ะไม่ค่อยดี เอามันพอดีหลบๆเพราะมันอยู่ในป่าไงนะพอแก้ผ้าอาบก็ได้แต่ว่าต้องหลบหน่อยนะใครจะแก้ผ้าอาบก็ให้มันมืดซะก่อนโอ้ไม่ได้เอาผ้าเพราะค่เกียรตถือผ้าเนอะนุ่งแต่กางเกงน้อยอาบก็อยู่ใกล้ๆนะพระก็เหมือนกันนะ่ะอันนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยจะแก้ผ้าบก็ระมัดระวังนะในป่ามันมีตาเทวดามีอะไรประมาณนั้นนะเรค่อยลงไป สมัยพุทธกาลก็มีนะนางนางวิสาขาให้ลูกศิษย์ให้คนใช้เอาน้ปนาปานะไปส่งพระตอนเรีย็นเวลาฝนตกเยอะๆเนี่ยพระก็จะไปอาบน้ําแต่พระสมัยก่อนเขาไม่มีผ้าอาบน้ําไงไม่มีผ้าอาบน้าฝนก็แก้ผ้าอาบนางอันนี้ลงไปโอ๊ยตกใจนะเห็นพระเขาแก่ผ้าอาบน้ําก็เลยไปเล่าให้เจ้านายฟังนางวิสาขาก็เลยขอ ขอพ่อระพุทธองค์บอกโอ้ยขอถวายผ้าอบน้ําฝนหน่อยได้ไหมนะเมรามีนั้นมีผ้าอบน้ําฝนน่าจะดีอ่ะเพราะว่าพระก็ไม่อยากเอาผ้าท่านไปอาบน้ํามันก็เปียกเนาะพอเปียกก็นุ่ง ก, ก็อะไรอยู่มันชื้นมาเลยเนี่ยอแต่ท่านก็ไม่ได้มีเจตนามาเล่นสนุกสนานอะไรเป็นแบบนั้นน่ฝนตกมันหาผ้ายากทั้นต่อมาพพุทธเจ้าก็อนุญาต อันนี้เวลาเรารอาบน้ําก็เหมือนกันอาจจะยืมกันก็ได้คนนี้โ้ยอาบเสร็จแล้วนอผ้าเข้ามาเนี่ยืมหน่อยประมาณนั้นก็ได้นะอันั้นก็จะลําบากอยู่นะไม่ใช่มง่ายเท่าไหร่แต่ก็ต้องอดทนเอาสู้ฝืนอย่าลืมนะคนมาที่หลังนะรุ่ทาบอกหนะ่อย่าเล่นโทรศัพท์นะไปพุทโธเนี่ยไม่ใช่เดินตามก้นกั น, กนไปกับโทรศัพท์ไปแล้วจะจะพูดไปพูดไปไม่ได้ดิโทรศัพท์นี่เป็นเรื่องผิดระเบียบนั้นคุณจะโทรได้อยู่แต่คุณต้องลบ ต้องเงียบต้องอย่าให้ใครรู้เท่าไหร่เข้าใจไหมไม่ได้หมายว่าอยากโทรตรัวไหนคุยไปเขาเดินข้างหน้าไปเราก็เดินตามไปโทรศัพท์ไปอะไรประมาณเนี้ยไม่อยากให้เป็นนะเจ็บให้มันเงียบๆอาหารการกินก็เหมือนกันวันสุดท้ายนะวันสุดท้ายน่ะให้เทได้อกินได้วันสุดท้ายนะ้องนะอาหารหมดแล้ววันแรกๆนะอย่าเพิ่งกินแหลกไร มันไม่ไว้ใจสถานการณ์นด้ว่ามันจะออกปาก่าออกดรงได้หรือเปล่าไม่รู้แนะก็ค่อยๆนะมีกิจกรรมนะคือตื่นเช้าเนี่ยพระคงจะบิณฑบาตกับพวกเราทั้งหลายนี่แหละนะบิณฑบาตกับพวกเราทั้งหลายอาหารถ้าอยากได้บุญเยอะๆนะหนึ่งของที่ทานนี่ต้องบริสุทธินะ์ไม่ใช่เหลือกินเมื่อคืนนีนะ้ตัวนี้กูเคี้ยวดูแล้วมันบู ด, บดว่าใส่บาตรพระไว้ตัวนี้โอ้ยอย่าทำเลโยมตายเลยเด้ ได้ได๋ยวไปกินนั่นบูดๆนี่แหละเด้เนึ่องอาหารบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็ทำใจให้เป็นสมาธิดีๆตอนใส่บาตรเนี่ยดีๆเขาเรียว่าข้าพเจ้าอันนี้ข้าวขาวเป็นดังดอกบัวยกขึ้นหนังหัวไหว้พระพุทธองค์จิตใจตรงถ่อะนิพพาน ขอให้ได้พบในโลกสามอะไรวะเขาอธิษฐานนะคือเขาเตรียมใจตัวเองก่อนใส่บาตรทำได้จิตดีๆแล้วก็ใส่บาตรเวลาใส่บาตรนั่นก็คืออย่าให้มือมันไปถูกบาตรพระเพราะบาตรพระทระ่านเราตั้งไว้บนมือเฉยๆไปแจะหน่อยหนึ่งมันก็จะหลุดแล้วอย่าให้มันถูกบาตรพระตั้งใจวางดีๆอ่ะเอาพอครบฉันนี่บางทีบินตบาตก็โอ้ยใส่มากสะละเกินน่ะอันนี้ก็อีกแล้ว ก็จะทีให้ญาติโยมคืนไปเอาไว้ใส่อยู่อีกพวกนี้นะเนยพราะสมมติกันทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวเลยของพอดีปีที่ผ่านมานะอยู่บนยอดผาธาตเจดีภูกุ้มข้าวภูลังกาพวกอาหารมันเยอะเนี่ยอาหารการขบฉันยังมีโยมออกมาม่าไปต้มอีกต่างหากมนาะต้มมามาเลี้ยงเอาหม้อไปไงเขาต้มเราก็ไม่ได้ว่ากันนะอันนี้ใครจะเอาไปก็ได้เด้ มาโม่งมา ม, ม, ามา่เอานาน่นเอานี้ไปก็ได้ไม่เป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าการติดฟืนติดไฟเนี่ยทำให้มันดีสี่ที่เราเนอกจากความอดทนความเสียสละความมีจิตสาธารณะนะอีกหนขั้นอยู่กับหมู่กับคณะอ่และอีก็นคือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคนปฏิบัติธรรมเราด้วยวัดเราก็จะมีพอมีชื่อเสียงกับเท่านี่คือ มันเป็นไปเองโดยธรรมชาติเออกลุ่มไหนนะโอ้ยกลุ่มวัดป่าสมบัตประมาณนะั้นพวเป็นตัดแสแตกเนะาะเนี่ยวไหนเดนนะคือรู้สึกโอ้ดีเนาะอันนี้ประมาณนั้นสงบสงัดนาะสงิเหียมะจะกลับมาถึงนี่เวลาเท่าไหร่อะ่ะมันสุดท้ายเนี่ยอไม่น่าจะเกินห้าโมงหกโมงนี่แหละคิดว่าห้าหกโมงประมาณนั้นนะถ้ามันมาเร็วกว่านั้นก็ดีนะแต่ว่าน่านจะประมาณนั้นแหละนะจะพยายาม แต่บางคนจองตั๋วเครื่องบินจะกลับกลางคืนวันสุดท้ายน่ยนะป่าในแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะะมันเป็นป่าดงดิบแห้งป่าอะไรประมาณเนี้ยบางทีก็ไม่จะ่หินการนอนบนหินเนี่ยจะร้อนกลางคืนแต่สายสายใกล้จดดสว่างมันจะเย็นมากนะเวลาเรานอนเนี่ยมันร้อนนะหินมันดูดเอาความร้อนเอาไว้ถ้าด่วนนอนในดินล่ะบนะางคนไป อย่างพ่อเนี่นั้นไปเนี่ยเขาไม่นอนดินนะ่ะเห็นเขาก็ไม่นอนนอนบนอากาศเขาผูกเปลงไงใส่ต้นไม้นั่นกับต้นไม้นีนะ้เขาก็อยู่ในเปลนอนบนเปลนะลองดูดนะิถ้าพื้นดินไม่ชื้นอย่างตามถ้ำเนี่ยมันดีอย่าลืมนะเสื้อขอเป็นเสื้อขาวเด้อตลอดงานเนี่ยนุ่งเสื้อขาว แม้แต่ถ่ายรูปออกมามันเหมือนนักปฏิบัติธรรมหน่อยเขาเจเะเผยแพร่คุณไปทั่วโลกเลยไม่ธรรมดาด้วะท่านหน้าตาต้องยิ้มแย้มตลอดเด้จะไปบูชเบืง้งอะไรมั น, มนภาพมันออกมามันไม่ดีไงมันฟ้องว่าหัวหน้าเขาพามาทรมานนะ้ก็ต้องภาพลักษณ์ต้องให้มันดูดีพระห่มของวัดห้ามเอาไปเป็นอนขาดนะห้ามเอาพระห่มวัดไปด้วะ พห่มเนี่ยคเอาไปเอาเฉพาะที่มีนั่นแหละมันไม่มีอะไรหรอกรองเท้าอย่างที่บอกนะเตรียมหาหูมันไปด้วยหรือหาเชือกไปไว้ด้วยเวลามันหลุดเดินในป่านานๆเนี่ยถ้ารองเท้าไม่มีอันตรายอ่ะใส่ไปสองอันเลยใส่ย่ามไปอันหนึ่งชุดหนึ่งหรือดึงดูดีๆมันขาดมันหลุด ย่น้อยๆเวลาเราไปทุดงเหบิดเนียวก็ได้จะได้ประสบการณ์อะไรที่เปลี่ยนแปลงแนวความคิดเราได้ในส่วนหนึ่งเหมือนเราไปเมืองนอกแค่นี้ยมันจําอะไรที่มันดีๆขึ้นมาดีกว่าไปจําเรื่องอะไรนะ่ะความโลภความโกรธความหลงหะไรประมาณนี้ยลืมไปชั่วขณะก็ยังดีไปเห็นป่าเห็นธรรมชาติเห็นที่ยวอะไรเนี่ยนะมันไม่เหมือนไปเที่ยวห้างไปเที่ยวห้างในหมดเงินนะนะมันต้องได้จ่ายเงินอยู่เรื่อยๆ อ, อ, อ, อันนั้นอันนี้ แต่ น, นี่ไปตามป่ า, า, ปาตามเขานะเขาก็จะเขียนว้าทิ้งไว้แต่รอยเท้าเอาไปได้แต่ภาพถ่ายเขาบอกเก็บไปได้แต่ภาพถ่ายทิ้งไว้ได้แต่รอยเท้าสมัยก่อนลวงตาไปทุดงที่เขาสอยดาวจันทบุรีนะอขึ้นไปจูงกระทั้งอาเจียนนะไปกับอาจารย์วิมลเนนะี่ยสูงแต่ว่าข้างบนเขาจะมีในพรานเขาล่ามี ล้านนู้ล้านนี่เดินผ่านหลวงมาพระทุดดงเขาจะขายขายตีนหมีเนี่ยขายตีนหมีเอาไปทำน้ำมันเยิงน้ำมันเลียงผาพวกเนี้ยใส่เขาขายให้เนเวลาเราไปเจอนายพรานเนี่ยเขาขายอะไรให้อย่าไปเอานิอืมเพราะว่าบางทีเนี่ยเขากาลังโดน ล, ล่าอยู่ไงป่าไมา้ตามจิกเขาอยู่อ่ะเราจะมีความผิดนะรับซื้อของโจร น, นะอือ แล้วเขาแจ้งว่าขายใ้พระไปแล้วหัวกวางตัวนั้นน่ะโอ้ยมาอลไรอยู่ในย่ามไม่ยุ่งอะไรนในบาดไม่ได้ประกันใครเด้ไว้วางเด้อาตมาจะไปทํายาโยมเอ้ยมันเสียงเขาไม่ขึ้นนะฉันไปเจอเขาขายค่าขายอะไรให้เนี่ยของป่งของป่าอย่าเอาอย่าไม่อย่าซื้ออย่าซื้ออย่าขายดูได้เฉยเฉยนะเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรของใคร ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายมันนึกไม่ออกอะ่ะมันดูไม่ไม่รู้ไปเป็นอะไรสัตว์สาละจร่งเจอเอ้าแต่ได้ถ่า ย, ายรูปถ่ายอะไรได้สนุกได้เอาพอสวยพองามได้ไม่อั้นถ่ายเต็มที่เลยนะเท่าไรก็เท่ากันนะอย่างอื่นเนี่ยอืเรื่องปัจจัยสีเนาะไม่ค่อยมีอะไรอย่างยานี่ก็ควรเตรียมไปคื อ, อยาหม่องยาดมแหละ คนเตรียมไปนะ่ะพวกเชียงใหม่มาเลยยังไม่รู้มาเลยยังยังนะปีที่แล้วขึ้นลานอเมริกาเป็นลมนะล้นทางก็เกือบเป็นลมอ่ะนะพอดีอายเขาก็เลยทำใจเอาหัวหน้าไงก็ต้องทำให้มันสดใสนะทำทีด่าคนนั่นด่าคนนี้เพื่อให้ตัวเองสดชื่นนะ <laughs> พอดูดีได้บ้าง โอ้เขาเป็นลมนี่มันนั่นเนาะน่ากลัวนะ ส, ลสลีลงสีลงเหลืองลงเหลืองลงนะพราะมันขึ้นสูงไปเรื่อย ๆ, ๆพอขึ้นไปถึงปลายทางมันยังบอกว่าอลานอเมริกาไปอีกแปดกิโลเมตรค่ะทุกไกลพอดีไกลมากแต่มันก็สวยงามสมกับที่เราขึ้นไปเจอล่ะะลานอเมริกาขึ้นไปแล้ก็มีต่หินกับหินไม่รู้ขึ้นไปทําไม มันก็สงสัยนี่แหละต้องไปประลองกำลังไงลองกาลังว่าอเมริกาเอาเครื่องบินมาลงที่นี่ได้ยังไง น, นะนะปีนี้ที่จริงๆลงตายอยากไปดูลานอยากพาไปดูไม่รู้เขาเหลือไว้หรือเปล่านะลานเฮลิคอปเตอร์ลานสมัยฮอห้องในของจันดาวงในเตียงสิริขันเนี่ยเขาลงที่สกลนครเนี่ยเ็าจะมี หลงแล้วเขามีบังเกอร์นะแล้วมีเขาเลี้ยงหมูเขาทําหินเลี้ยงคือค่ายค อ, อมมิวนิสต์เก่าพงงาูดง่ายๆค่ายคอมมิวนิสต์เก่าแล้วมีสนามฮอลงด้วยมีเลี้ยงหมูเลี้ยงสัตว์เลยพอนี่ที่จริงถ้าอบตอเขาเข้มแข็งในจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเนี่ยเราไม่รู้เนะนีค่ายคอมมิวนิสต์เป็นยังไงอ่ะถ้ามีโอกาสได้ผ่านไปแต่นั้นคือมันผ่านตรงลานนี้ได้ด้วย โอ้สมัยโบราณเป็นี้นะหลวงตางเคยไปกับผู้ใหญ่เลืองแต่ก่อนคือมันก็ดูดีอะ่ะไปในที่ที่มันมีประวัติศาสตร์บ้างอะ่ะในเรื่องถ้าไปทางนี้ขึ้นจากน้นไปทางนี้ก็จะไปเจอทางผีผ่านทางผีผ่านเขามีป้ายเลยแหละบอกว่าเป็นทางผีผ่านเลยนี่นะแล้วก็ถ้าเดิน ลัดไปทางดงชมพูพานเนี่ยก็จะไปเจอทานนี้จะไปสามารถไปดูลอยลอยกองกวยได้นะหลวงปู่สังเอา้าตื่นแล้วอันมูจังห้วยผีกองกวยบนหลวงปู่หันหู้โย่ตัวมันเป็นไหนหลวงปู่ว่เห็นตัวห้วยเห็นเนาะมันเป็นในห้วยมันหนันลอยน้อยๆแต่ก็ยังเห็นนะเนี่ย แปสิบเจ็ดปีเนี่ยเคยเห็นรอยกองก่อยเสียงห้องมันจะไหนกับหลวงพ่ฮ้เอาเล่องล่องมาดูเลยยิ่งขว่านันหลวงพ่จะเคยรู้จักนะอะผีต้องเหลืองทังเหนือเนาะผีต้องเหลืองนี่อยู่ทั้งเหนือก็คือคนนี่แหละแต่มันตัวเล็กกองก่อยี่ต้องเหลืองอีสานนะตัวมันเล็ก เป็นคนน้อยนะน ะ, นะคนน้อยกลางคืนพ่อแม่จะบอกระวังเด้กพีกองกอยนะนชอบอย่าลงไปเล่นข้างล่างผีกองกอยมันห้อง ว, ว่าะอะไรก็หลวงพูเว่านี่กว่าอะไรก็ฮือกเสียงห้องมันไหมเออเออนั่นแหละนั่นแหละเอาความมาดึงได้เลยทีบอกใหไดียินเนะหลวงพูดสั่งไหม <laughs> ต้องถามท่านไปๆได้ที่อีสานเนี่ยแปลกว่าเหมือนแห้งแ้งนะย่โยมดูเนี่ยแต่ปรากฏว่าไดโนเสาร์เยอะมากมไดโนเสาร์เยอะที่จริงถ้าขึ้นเส้นนี้ลงตาไวาจะพาเดินไปที่สะพานเทพสุดาสะพานเทพพลัตนราชสุดานะสะพานข้ามเขื่อนลำเปาจากเส้นนี้ไป ไปอำเภอโน้นนะแต่ว่าข้ามสะพานมันข้ามเขื่อนไม่ธรมรมดาที่สะพานข้ามเขื่อนนะออย่างอ่างเก็บน้ำมีสะพานมันข้ามไปแต่มันข้ามไปกนอำเภอแล้วมันดูดีมากเวลาดูพระอาทิตย์ตกเนี่ยโอโ้ยสวยงามจริง <c oughs> จริงๆนะบรรยากาศว่ะ น, น่ะแต่ก็คิดว่ามันเอ๊ะท่านทั้งหลายจะรอดไปถึงหรือเปล่าเนี่ยมันไกลเดินข้ามนี่ก็ประมาณสัก จากนี้หลวงตาจะถึงโรงพยาบาล น, นูนะ่นมั้งใครได้สะพานนะ่ะเขาไม่ให้เทพพลรัดเขาไม่เอาเขาให้ใช้สั้นๆสะพานเทพสุดาคือมันสามารถทะลุถึงนั่นได้อะตื่นเนี่ยถึงนั่นก็อย่างที่หลวงตาว่านะถึงแหล่งไดโนเสาร์ูกุ้มข้าวนัะ่ะ แถวที่นี่ก็มีไดโนเสาร์ใครยังไม่เห็นไดโนไขกระดูกไดโนเสาร์ก็ดูเอานะข้างบนเนี่ยที่เก็บมาเนี่ยต้นขากลับถ้ามาทางนี้เราอาจจะข้ามที่ที่อกระดูกไดโนเสาร์ที่มันตายเนี่ยที่เขาไม่ได้ขุดเนี่นะที่ข้ามเขามาเนี่ยทางนี้มาก็าแปลกลนะเหมือนแห้งแล้งแต่ไดโนเสาร์เยอะแต่ทางภาคกลางน่าจะพืชผลอะไรดีแต่ไม่ค่อยมีไดโนเสาร์นะอันนี้ก็ เราดีที่สุดละว่าเราอยู่ในแหล่งอรยธรรมอรยธรรมโลกล้านปีสมัยก่อนหลายร้อยล้านปีอ่ะแต่ที่สาคัญก็คืออยู่ในแหล่งของพระกรรมฐานเราเดินธุ ด, ดงค์ผ่านไปเราจะอาจไปเห็นที่พระกรรมฐานเขาอยู่นี่ทำไมสกลนครมีพระธุ ด, ดงค์กันเยอะจังอะ่ะท่านอยู่กันยังไงท่านฉันยังไง อะประมาณนี้เราจะได้ไปเห็นท่านอีกนหนึ่งรถแท็กซี่อยากไปเห็นอยากให้พาไปเห็นพระพระองค์หนึ่งที่รถแทากพูดถึงบ่อยๆคือพระองค์นี้มีความกล้าสามารถโบกรถในหลวงได้ในหลวงขี่รถมันจอดจอดลงมาคุยกันหน่อยนะว่าจะได้เจอกับท่านนะตอนนี้ท่านกินจะกเก้าสิบปีแล้วลนะ่ะไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะเมื่อก่อนนะ่ะในหลวงเสด็จแถวนี้บ่อยๆ ขี่รถมาเนี่ยจะเห็นออกองทหารเขายืนอยู่ห่างๆแบบ น, นี้ก็เหมือนมีผู้หลักผู้ใหญ่เดินเข้าไปที่วัดท่านอาจารย์หลวงพ่อสุธรรมมึงหือที่วัดผููผาเด่นเห็นทหารวางกําลังเป็นระยะระยะเทนี้ปัญหาคือท่านอยู่ในป่าไม้ในป่าไม้ส่วนมาก็จะปไปไล่พระออกอ่ะไล่พระออกให้หนีจะไม่อยู่จะหนีผิดกฎหมายเลยสมัยก่อนก็อาจจะไม่มีกฎหมายป่าไม้<ต>หรืออะไรก็ไม่รู้นะ ท่านเลยว่าที่ดินเนี่ยมันเป็นของใครอ่ท่านก็เข้ามาจองเนาะท่านก็มาอยู่ท่านก็ไปทําบันลายอะไรมาอยู่ป่าอยู่ไหนนี่ป่าไม้เขาเ น, นี่ย ท, ท่านไม่อยากคุยกับพวกเล็กๆน้อยๆเนี่ยอยากคุยกับเจ้าของแผ่นดินเนี่ยใครเป็นเจ้าของแผ่นดินเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินนั่นแหละกูจะคุยกับแกคุยกับช่วงไหนท่านจะมาก็ฟังวิทยุเอาเน่ยนะท่านจะมาช่วงไหน ท่านจะมาช่วงไหนท่านก็เสด็จพระราชดำเนินไปที่นูน่นที่นี่ประมานันนะท่านก็ไปลัดเอาเวลารถหวอมาพวกกุดโบกเนาะเพราะมันอยู่ใกล้ๆที่รถหวอปึ้งๆออกไปที่แรกก็หันหลังให้มันฝุ่นเยอะเลยออกไปโบกจอดคุยเราเรื่อให้ฟังว่าท่านคล้ยๆไม่ได้รับความเป็นธรรมอะไรประมาณนั้นท่านก็อยากอยู่อะไรมาเนัน้แต่ว่าป่าไม้กัน ให้ท่านหนีท่านออกจากโ น, น, น่้เนี่ยนี้เนี่ยปรากฏว่าในหลวงเหมือนกับพระราชทานให้ท่านอยู่อออนุญาตอะไรวะเนี่ยใหท่านอยู่อยู่จนถึงถึงป่านนี้ท่านก็สงบสุขจังละไม่มีป่าไม้เข้าไปยุ่งสักทีเลยตั้งแต่นั้นมานะอเราอาจจะไม่เคยเห็นนะคนที่มีความสามารถกล้าอยู่กับความจริงระดับนั้นได้เยนยะเพียรพยายามปนะั่นนังนแสดงว่าเก่งคนระับมีความ ลงปู่ท่านนะไม่แน่นะเราอาจจะพักที่วัดท่านสักคืนนึงก็ได้ถ้ายมลงไปแล้วโค้งไปถึงนะมันต้องวกกลับหน่อยนึงอะลงไปอาจจะถึงอะแต่ถ้ายมเลี้ยวลงไปตรงๆแล้วออกข้างไปมันผิดทันทีเลยนะมันไปไม่ถูกนะอันเนี้ยมันอยู่ที่ที่ว่าออมันจะตรงหรือไม่ตรงนั่นแหละ มันอยู่ที่ผู้นำผู้นำก็ฝากไว้กับพระสงฆ์องค์เคเจ้าเรานี่แหละถ้าพาหลงทางก็แสดงว่าชานอ่อนเลงยานเล็งชานไม่ได้เลื่องเท่าไหร่นั่นนะาจจาะหลงทางหลงมุมไปนะคงไม่มีอะไรอลุงตาว่านะเสื้อผ้าก็คิดว่าอยากแต่งตัวโก้ทำป่าทำร ง, งเอาไปหลายชุดนะกล้าแบกกล้าถือ ซักผ้าเออเวลาลรซักผ้าหรืออะไรถ้ามันเหนื่อยมาอะไรต่า ง, างอนุญาตให้ทิ้งได้เลยเฮ้ยครูว่าเอาไปหรอนักว่าเนี่ยนะไปหาซื้อเอาไหมอย่างทีนะก็ห่อห่อไว้แขวนไว้ตามต้นไม้ตามอะไรเนี่ยได้อยู่ก็เขียนไม่หน่อยว่าเอ อ, อันนี้เนื่องจากว่าลำบากในการถือขอบริจาคเนืนเขาก็จะไม่รู้เป็นลูกระเบิดหรือเราจะไปเอาไปเอาอีกเนาะขอบริจาคเขียนไว้เลย แส่กระดาษแข็งนะกระดาษขนมเรานั่นแหละสอดทิ้งไว้ขอบริจาคด้วยใจนะไอเห็นก็หยิบไปได้ประมาณ น, นียน่าจะได้นะทีนี้ข้าวปลาหารการกินเนี่ยถ้ามันสามารถอยู่ในหมู่บ้านในพระเราเนี่ยสามารถไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้ถ้ามันลงไปถูกหมู่บ้านนะลองไปบิณฑบาตได้ท่านจะได้ข้าวเหนียวแต่ท่านไม่บิณฑบาต ท, ท่านจะได้ขนมแห้ง ะนมที่มันแห้งๆจากาติจากโยมเรานี่ยนะนะเป็นอาหารสำเร็จรูปอ่ะนี่มันได้อันอื่นคงไม่มีปัญหาอะไร